ค่ะคือปฏิบัติมาหลายแนวแล้วะมาตอนสุดท้ายนี่มนแค่ให้ดูแค่ลมหายใจเพื่อจะให้รู้ ว, ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือจะยังไงคือพยายามจะทำให้จิตสงบะคือปฏิบัติมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยรู้สึกว่าจิตสงบเลย <laughs> เลยเลยเลยคิดว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยทําไมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขมีอาการอย่างงี้อย่างงี้เราไม่เห็นมีการอย่างนี้นเลยไม่ทราบถามหน่อยเรจะเอาอะไรก็ไม่ทราบว่าต่อใจได้ต่อใจถามหน่อยเราจะเอาอะไร พยายามปฏิบัติมายี่สิบปีเนี่ยแล้วยากจเห็นเหมือนเขารู้อยู่เหมือนเขาเลยนะ่ะจะเอาอะไรคือจะทํายังไงให้มันพ้นทุกได้เอออยากพ้นทุกนี่แน่วางลงเลยเพราะความอยากพ้นทุกนี่แนะเห็นตรงเนี้ยพ้นทุกได้ความอยากพ้นทุกนี่แน่ทําให้ไม่พ้นทุกออื เห็นปล่อยวางความอยากพ้นทุกข์เห็นมันว่ามีความอยากพ้นทุกข์แล้วก็วางลงเดี๋ยวนี้เลยอแล้วให้ให้ปฏิบัติเองให้ดูเองอะไรรู้สึกจะทําไม่เป็นไม่ทราบว่าจะไม่ต้องทําเป็นตนะอนนั้นตร ง, ตรงไหนอยู่ตนนะอนนั้นลุงตามไม่ต้องคิดว่ากลับไปทำํทำทําอะไรชอบชอบฟังฮะฟังคําสอนของครูบาอาจารย์นะคะฟังแล้วถ้าเกิดตอนไหนมันมันมั น, มนรู้สึกมันถูกใจอะ่ะมันจะปิ๊งขึ้นมา อย่างงั้นค่ะแต่ให้ดูเองดูให้เป็นไม่ทราบจะเริ่มที่จุดไหนผู้ดูกันที่อยากจะดูนะครไอ้ที่บอกว่าอยากจะดูให้เป็นดูให้เป็นอ่ะไอ้ผู้ดูนั้นก็วางไปซะวางผู้ดูนี่ไปด้วยอ่ะเนี่ยผู้ดูอ่ะอยากผู้ที่อยากจะเข้าไปดูอยากไปดูให้เป็นเนี่ยวางไอ้ผู้ที่อยากจะดูให้เป็นนี่ไปเดี๋ยวนี้เลยมันจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ย ไอที่มันอยากจะดูอยากจะดูให้เป็นนะเลิกเลยไอตัวเนี้ย๋ยวนี้เลยอ่ะแล้วจะเป็นยังไงตอบสิก็ไม่มีอะไรเพราก็ถูกแล้วนี่ไงจะเอาอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรถูกแล้วแล้วจะอะไรเห็นฟังในเทปอทาจารย์บอกว่าเห็นมองแล้วแต่ละคนจิตมืดมืดมื ด, มดอยากจะทราบว่า จิตนี้มืดไหม <c oughs> ไม่ต้องสนใจงั้นอ่ะเดี๋ยวจะเอาจิตดีเป็นกิเลีออไม่เอาอะไรไงบอกไม่เอาอะไรแล้วไงอืมผมไม่เอาอะไรแล้วก็สิน้นเกลียดสิ้นทุกเดี๋ยวนี้หละอือเดี๋ยวบอกว่าไม่เอาไม่เอาจิตมืดเจียจิตจิตสว่างเป็นเป็นกิเลดเลยออืคือคือทุกวันก็อธิษฐานขอให้พูดกัใหม่ๆไม่ค่อยดูดเสียงคืออธิษฐานว่าขอให้ พ้นจากความมืดบอดพ้นจากวิชาพ้นจากอสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงในในคำสั่งสอนของพระรุเจ้าอันเป็นทางทำให้พ้นทุกข์แล้วก็ขอให้สามารถปฏิบัติเข้าถึงความพ้นทุกข์ในชาตินี้ได้เืออธิฐานอย่างนี้่ะแต่ไม่ทราบว่าจะทำยังไงเอาก็ถูกแล้วถึงเด้ ม, มานี่ไง <laughs> แน่เพราะแรอิฐานเลยมาได่มาหนีไงเอาจริงพอราะแรงนิฐาเล่นมาหนีนี่นนว่าโชคดีที่คุณวจิดาพามาปังเทปของหลวงพ่อสองสองสองแผ่นแล้วอพอแผ่นที่สองอนะ่ะเมื่อวานนะ่ะเพิ่งจะได้ยินคนที่หลวงพ่อเรียกเว่าโยมพี่อ่ะ เขาว่าเขาทุกเรื่องอย่างงี้อย่างงี้อย่างนียิมฟังแล้วก็เออเราทุกข์เหมือนเขาฮะนั่งสมาธินั่งไว้นนมันเด็ก็คิดถึงลูกละทุกวันนี้ทุกทุกก็ทุกเพราะลูกละแล้วหลวงพ่อก็แนะบอกว่าก็ไปก็ไปสิไม่ต้องมายุ่งกับเขาเราต้องเอาตัวเราให้รอดไม่ใช่เราเห็นแค่ตัวนะเราต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนแล้วค่อยไปค่อยไปคิดจะไปช่วยเขา โยมล่งเลยอ่ ะ, อะสาธุโยมเออตั้งแต่นี้ไปใช่ไม่ยุ่งเลยพวกเธออืมฉันไม่มีลูกแล้วเลยตั้งเมื่อวานมาลงเรื่องลูกไม่ทุกเรื่องลูกแล้สาธุ <c oughs> แล้วตอนนี้ทุกเรื่องอะไรเรื่องเจา้าอุปทานเออก็อยากจะทราบว่าไปถึงขั้นไหนแล้วนี่นี่จะ<ป>ทุกเจ้าขั้นเนี่ยทุกเจ้าขั้นเนี่ย อเอาอะไรทุกหมดอหะเอาอะไรทุกหมดเลยอืม่จะเอาในผ่านอืมสิ้นทุกเกือสิ้นสิ้นผู้จะเอาสิ้นตัวเราจะไม่เอาอะไรนี่คือสิ้นทุกสิ้นตัวเราจะไม่เอาอะไรก็สิ้นทุกอืมมีตัวอะไรที่มาบังให้มืดบอดไหมฮะก็ตัวที่เราจะไปเอาอะไรอยู่นี่เนี่ยออก็บอกอยู่นี่ไงเคยได้ถามว่าเจะไปเอาอะไรอยู่อจะไปเอาอะไรอยู่ในตัวนั้นนำมาบังไม่เอาอะไรก็ดีนาะ หลวงพาะว่ายมจะทำได้ไมเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจะทำไปอะไรจะไปเอาอะไรเดี๋ยวถามก่อน <c oughs> ทำจะไปเอาอะไรยังยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะจะจะจะไม่เอาอะไรจริงหรือเปล่ายังไม่ยังไม่ยังไ ม, งไม่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองทำทำคำว่าไม่เอาอะไรได้จริงหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ย ยึดแล้วเพราะยึดจะไปเอาว่าคือตัวเราไม่เอาอะไรจริงหรือเปล่ามันยึดความไม่เอาอะไรจริงหรือเปล่าคือมันจะไปยึดความไม่เอาอืมตอนแรกมันคือจะไปเอาตอนนี้เราเช็คเลยมันไม่เอาจริงหรือเปล่าไ อ, อันนี้ยึดความไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> ทําไงต่อไปเจ้าค่ะเขาบอกแล้วไม่ต้องทําอะไรอะ่ะโอเค <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรแต่ต้องรู้เท่าทานว่าจะไปเอาอะไรแม้แต่จะไปเอาความไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาและจะหาความไม่เอาเอ้ยเราเอาจริงก็เปล่าเนี่ยหรือเราไม่เอาเอ้าก็ไปเอาอีกอย่างเงี้ยจะไปเอาความไม่เอาก็วางไปเลยจะเอาไม่เอาก็ช่างเขาแต่จะไปเอาก็แล้วกันเนาะควาใจจริงก็เปล่าเนี่ยอ๋อชวนใหม่ความใจจริงไหมดูซิก็ยังไม่แน่ใจจ้ะค่ะยังไม่แน่ใจว่าอะไร ไม่แน่ใจตัวเองว่าอะไรยังไม่แน่ใจตัวเองว่าอะไรว่ามันมันทำได้อย่างที่หลวงพ่อแนะนำเปล่าก็อาอบอกว่าจะไปทำกันล่ะก็ <c oughs> จะไปทำไง <c oughs> ถ้าเราไปทำก็เป็นกิกเลสเลยให้แค่มีตัวรู้ใช่ไหมครับก็ในปัจจุบันเราสังเกตเอาสิมันจะไปมันจะไปเอาอะไรเปล่า จะทําอะไรไปเอาอะไรเปล่าในปัจจุบันก็ต้องเกณเอ า, าดอขณะนี้ยังไม่เอาเอาไปขณะนี้ไม่เอาพรุ่งนี้ก็อย่าเอาเลยปีหน้าก็อย่าเอาไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีใครไปเอาพ่อที่เดี๋ยวนี้แล้วผู้เอาหมดก็ไม่มีชาติหน้าไปเอาอะไรก็จบอืม <acy> ก็จบกจบ็ต้องจบปัจจุบันถ้าวันตอนนี้สิ้นผู้จะเอาพรุ่งนี้ก็ไม่มีผู้จะเอาปีหน้าก็ไม่มีผู้จะเอาไม่มีชาติหน้าที่จะเอา เพราะไม่มีผู้จะเอาก็จบในปัจจุบันเอาทำให้ง่ายๆจังทุกคนไม่ง่ายแบบนี้หรอไม่เห็นว่าง่ายหรอกจะไล่ลลให้ <c oughs> เห็นว่าไล่ง่ายหรอกก็ไล่ลลให้ เข้าใจไหมเห็นว่ามันไล่ได้หรอกคนไม่ได้ไล่ได้แบบนี้ทุกคนหรอกเพราะว่าอัมันไล่ได้ไล่ไดอธิษฐานไว้ว่าขอให้อย่างที่เมื่อกี้ฟังหมอพูดก่อนนะว่าเขาให้หลวงพ่อแนะให้ติดกระดุมเบ็ดแรกให้ถูกก่อนอพราะที่ทํามาไม่แน่ใจว่าติดกระดุมถูกหรือเปล่าเข้าใจยังอ่ะันนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วจ้ะค่ะเข้าใจแล้วเนาะ จะบอกทุกคนนี้เขาใจยังไงพูดออกมาจากใจก็ไม่ต้องมาคิดอะไรอืมคือเวลาเดินจงกรมด้วยอะไรคือคือมาดูที่ลมหายใจอ่ะสังเกตที่ใจอย่างเดียวดูที่ใจไม่ต้องไม่ต้องดูที่ลมหายใจใช่ไหมสังเกตที่ใจว่าจะไปเอาอะไรเปล่าจะทําอะไรเพื่อไปเอาอะไรเปล่าเดินจงกรมเพื่อจะไปเอาอะไรเปล่านั่งสมาธิเพื่อจะไปเอาอะไรเปล่า คือไม่เอาอะไรแต่ว่าคือพยายามทําทุกเย็นนะฮะออือคือขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําทําเพื่ออะไรไมั้ยคำนี้ยต้องเข้าใจขยันก็ทําขี้เกียจก็ทำทำมนตลอดเวลาเนี่ยทําอะไรคือสังเกตตลอดเวลาเดินเดินนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในระยบททุกอระยบทยีิบสี่ชั่วโมงด้วยเวลับไปสังเกตตลอดเวลาว่า เริ่มจะไปเอาอะไรเริ่มจะไปเอาอะไรก็วางทันทีเลย<ม>เริ่มจะไปเอาอะไรวางทันทีนั่นแหละคือขยันอไม่ใช่ขยันเดินแต่เดินเพื่อจะไปเอาขยันนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อจะไปเอาอันนี้ไปเอากิเลสยมก็ไม่เอาอะไรก็สักแต่ว่าเดินน่ะขอให้ทำตามหลวงพ่อบอกว่าขยันก็ทําขี้เกียจก็ทำํำยมก็เลยตอนเช้าก็เพราะวันวันไม่มีอะไรงานอะไรจะทําไม่ต้องทําเพราะมีคนก็ทําให้เสร็จแล้วก็ เช้าก็ทําวัดเช้าสวดมนต์เย็นก็ทําวัดเย็นเสร็จก็เดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็สักแต่ว่านั่งไว้อย่างนั้นฮะอืแล้ว ม, <อ>มีสรรติปัญญาสังเกตไหมว่าทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันจะไปเอาอะไรเปล่าในผูม้มีตัวเราจะไปเอาอะไรหรือเปล่ามีตัวเราจะเข้าไปมีส่วนได้เสียอะไรหรือเปล่า ทุกขณะปัจจุบันสังเกตไหมถ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลานั่นคือการปฏิบัติตลอดเวลาไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติโดยนจงกรมคือการปฏิบัติการที่มีสติปัญญาอ่านใจตัวเองขาตลอดเวลาว่าสิ้นผู้จะเอาวะแน่สิ่งตุกติกิเลสคือคือจะเอาคือภาวนาจะให้จิตเอาให้จิตสงบจะไปเอาสตสงบไปเอาสต่สงบไกิเลสเลยไปกิเลสเลยนี่เป็นกิเลสเลยออเราต้องละเลย อักเดียวว่ารู้ว่าเรากำลังเดินจงกรมอยู่แล้วก็ต้องเกตตลอดเวลาสักตะรู้ก็คือต้องเกตตลอดเวลาว่าทำไมมีบุญจะเอาก็แค่สตะวันรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเพราะมันที่บูญจะเอาแล้วก็เหลือแต่แค่แค่รู้เฉยแค่รู้แค่รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงทั้งกายและใจที่เดินไปเดินไปเดินไปกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็แค่รู้ตามความเป็นจริง พมสิ้นรู้จะเอาแล้วก็ไม่มีทุกข์อะไรไม่มีกิเลสได้ ม, มีแต่รู้รู้รรู้รู้สักตะวัรู้อยู่กับผู้รู้ที่อรหันตนั่งท่านทุกองบอกว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้นี่แหละคือสักสะตะวัรูตามความเป็นจริงทั้งกายและใจไม่มีใครเข้าไปยึดถืออะไรอ<ม>พอท่านสิ้นรู้จะเอาแล้วก็เลยสินส้นกิเลสสิ้นกิเลสตัณหาสิ้นอวิชชาสิ้นกิเลสตัณหาบรรลุพุธิภาณฑแล้วสิ้นตัวเดียวคือสิ้นผู้จะเอาก็ ปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ใครถามเธอได้อะไรจะไม่เห็นได้อะไรเลยอ่ะทํามาตั้งยี่สิบกว่าปีไ็ได้อะไรม่เห็นรู้อะไรเลยได้อะไรกิเลสหมดเลยอืมเวลาก็มีในมีผู้มาถามพรุทธเจ้ากราบคุณถามพระพุทธเจ้าว่าเพียรเต็มเพียรมาจนถึงที่สุดตรัสรู้พระพุทธเจ้าแล้วได้อะไรถามพระพุทธเจ้าเขาเจ้าปฏิบัติบําเพ็ญเพียรบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากับในชาติปัจจุบันก็ ปฏิบัติอีกตั้งหกปีจะบรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วได้อะไรพุทธเจ้าตัดว่าอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าคนถามว่าได้อะไรมาบอกไม่ใช่ไม่เห็นได้อะไรเลยก็ถูกต้องแล้วนี่คือคําของพุทธเจ้าว่าไม่ได้อะไรพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้อะไรแต่สามารถบอกได้ว่ามีอะไรหายไปบ้างสิ่งที่ได้ไม่มี แต่บอกได้ว่ามีอะไรหายไปบ้างกิเลสหายไปความความทุกข์หายไปอืบอกได้ใช่ความทุกข์กัอย่างเมื่อวานปิ้งไปทิ้งความทุกข์รู้สึกหายไปเยอะเลยไม่ได้อะไรนะปฏิบัติไม่ได้อะไรหรอกแต่สามารถบอกได้ว่ากิเลสหายไปความทุกข์หายไปอืมนี่แนะคือหัวใจของกันปฏิบัติยังติดอยู่ตัวนี้ว่า ทำไมเราไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นรู้อะไรเลยโอ้สแสดงว่าเข้าทางพุทธเจ้าแล้วเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> สังเกตเอานะทุกขณะปัจจุบัน <c oughs> มีตัวเราจะไม่ได้อะไรเปล่สังเกตเอาอื <c oughs> ถ้าทุกขณะปัจจุบันไม่ไม่มีสติปัญญาสังเกตก็สแสดงว่าหลงต้องอานใจตัวเองให้ขาดทุกขณะปัจจุบัน เราปฏิบัติจะไปเอาอะไรหรือเปล่าถ้าไม่เอาอะไรก็แค่สัมผัสร <c oughs> ู้แค่รู้แค่รู้กายรู้ใจคือให้พิจารณาพิจารณาไม่เป็น่แต่พยายามใช้ชีวิตแบบมีแบบมีสติสมัมปชัญญะให้ที่รอบที่สุดเอาตอนถูกต้องแล้วนะก็คือมีสติสธรรมจนันดาคือมีสติสธรรมจัญดาเพื่อ เ, เพื่อไม่หลงไปเราโดนอะไรมาโดนข้าวสติถ้าเราสติไม่ขาดเราก็จะเบรกไว้เราไม่โตเขาแต่วันไหน มันสติขาดมันโตไปเราไปเห็นอ้าวนี่เจอสติแตกขาดละอืออคือพยายามใช้ข้อนี้มาถูกต้องแล้วนั่นแหละมาดำรงชีวิตไม่มีอะไรเกินกว่าสติปัญญาแล้วไม่มีอะไรเกินกว่าสติสรรมชัญญะถูกต้องแล้วนั่นแหละดีที่สุดแล้วก็ปฏิบัติมาถูกแล้วมันถึงสว่างสวัยวอ่ะไม่บอกว่าสว่างสวัยตัวแรกเดี๋ยวจะเอาไปเอ า, เอ า, เอากิเลสอีก ที่มันไล่เพราะเห็นมันสว่างสวายเรามันจะไล่<ด>มืดบอดไม่ไล่แล้วไล่เหนื่อยตาย